เมื่อราคะโทสะโมหะมายอมจิตใจได้จิตใจนี้ที่เปรียบเือนว่าน้ำที่ใสสะอาดไม่มีสีก็กลายเป็นมีสีเป็นสีเขียวสีแดงสีเหลืองอะไรเป็นต้นคือกิเลสต่างๆแต่เมื่อปฏิบัติ บอกจิตของตนมาโดยลำดับแมในสายปฏิบัติที่ได้แสดงมาคือมีความหลีกเล่นเป็นที่มายินดีเป็นอาราม ตามประกอบความสงบของใจในภายในทำความเพ่งปินิทไม่ออกไปข้างนอกคือให้อยู่ในภายในเพ่งปินิทอยู่ในอารมณ์ของสมถกรรมฐานและประกอบด้วยวิปัสสนาปัญญาที่เห็นแจ้ง คือน้อมจิตที่สงบนี่แหละมากำหนดพิจารณาตั้งตนแต่อาณจัภายในภายนอกขันห้าว่าเป็นอนิจจไม่เที่ยงเป็นอนัตตาไม่ได้อัตตาตัวตนร่างกายนี้เป็นของไม่งดงามเต็มไปด้วยของปฏิกูล ประกอบปไปด้โทษโรคภัยไข้เจ็บต่างๆมากมายตรวจรู้จิตหากอกุศลวิบตกอันใดอันหนึ่งผุดขึ้นมาก็ไม่รับเอาไว้สงบไปเสียก็เป็นการปฏิบัติฟอกจิตให้บริสุทธิ์สะอาด จ, จากอารมณ์ริเิเลตโดยดำดับ ก็เป็นดังนี้ก็กาหนดดูให้รู้จักจิตอันนี้เองที่บริสุทธิ์คือเป็นจิตที่สำรอกราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรดหลงไปได้โดยลำดับน้อยหรือมากน้อยก็แปลว่าบริสุทธิ์น้อยมากกว่าบริสุทธิ์มาก เป็นตัววีรา k a คือเป็นตัวความสำรอกน้อยหรือมากดูให้รู้จักตัววีราค a คือตัวความสำรอกนี้ที่จิตเองก็เป็นวีราค a สัญญาต่อจากนั้นก็นิโรธสัญญากำหนดหมายความนับ ก็ดับกิเลสดับทุกนี่แหละเพราะเมื่อสำรอกออกได้เท่าใดก็ดับได้เท่านั้นดับกิเลสได้เท่านั้นดับทุกได้เท่านั้นดูให้รู้จักตัวนี้นิดคือตัวความดับดับกิเลสและดับทุกในจิตนี้เองจะน้อยก็าตามก็ให้รู้จักว่าเมื่อปฏิบัติก็จะต้องได้ ได้ความดับกิเลสได้ดับทุกน้อยหรือมากให้รู้จักเอาไว้และก็ปฏิบัติต่อไปคอยระวังจิตไม่ให้ยินดีในโลกทั้งหมดและปฏิบัติต่อไป ระวังจิตมีให้พอใจยินดีในสังขารทั้งหมดสิ่งผสมปรุงแต่งทั้งหมดและรวมเข้ามาก็กำหนดลมให้ใจเข้าออกซึ่งเมื่อปฏิบัติกำหนดลมให้ใจเข้าออก ประกอบสัญญาเหล่านี้ก็จมจะได้ข้อกายข้อเวท น, นาข้อจิตข้อธรรมไปโดยลำดับจิตก็จะพบกับความสำรอกและความดับยิ่งยิ่งขึ้นไปดังนี้ก็ชื่อว่าเป็นการประกอบหรือวิปัสสนา ปัญญาที่เห็นแจ้งหรือรู้แจ้งเห็นจริงแต่ว่าการปฏิบัตินั้นจะไปมุ่งว่าจะต้องละกิเลสได้จะต้องสำเร็จเมื่อนั้นเมื่อนี้นั้นไม่ได้ผู้ปฏิบัติก็มีหน้าที่ปฏิบัติไป น้อยหรือมากก็ตามก็ย่อมจะได้ไปโดยลำดับและขั้นตอนของการเป็นบัตรก็จะเลื่อนขึ้นไปเองไม่ต้องไปใช้ตันหาอยากได้แต่ใช้ตันหายากได้อย่างถึงแล้วย่อมจะไม่ได้เพราะนั่นเป็นตันหาซึ่งคอยขัดขวางเพราะฉะนั้น จึงถึงข้อสุดท้ายที่ตรัสสอนให้พอกพูนเรือนว่างอันหมายความว่าให้ภูปฏิบัตินั้นพอกพูนคือกระทําอยู่บ่อยๆหาโอกาสที่จะหลีกเล่นเข้าไปสู่เรือนว่างคือที่ว่าง แล้วก็ทำกายวาจาใจนี้ให้ว่างทำจิตนี้ให้ว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสว่างจากของทุ่งไปโดยลาดับผลของการปฏิบัติก็ได้เองได้มาโดยลาดับต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป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 ทมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมอันจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดของบุคคล เป็นต้นเหตุหรือต้นทางของความดีความชั่วทุกอย่างของสุขทุกข์ทั้งปวงตลอดถึง ของมรรคผลนิพพานและของความสิ้นทุกข์ด้วยประการทั้งปวงแต่จิตใจนี้ที่ยังไม่ได้อบรมย่อมดินรนกวัดแวงกระสับกระสาย รักษายากห้ามยากเหมือนดังที่ทุกๆคนย่อมได้ประสบอยู่ซึ่งจิตใจของตนเองอันมีลักษณะดังกล่าว พระบรมศาสดาได้ทรงสแสดงลักษณะของจิตใจที่ยังไม่ได้รับอบรมไว้ดังกล่าวนั้นแต่ก็ได้ทรงสแสดงต่อไปอีกว่า คนผู้ทรงปัญญาย่อมปฏิบัติกระทําจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างในช่างสอนดัดลูกสอน และได้ส่งแสดงต่อไปอีกว่าจิตย่อมดิ้นรนแม้ว่าผู้ปฏิบัติจะยกจิตขึ้น สู่กรรมฐานคือสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานก็ยังเป็นเหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นจากที่อยู่คือ น, น้ำ วางไว้บนบกปรานั่นก็ยอมดินรนเพื่อจะลงไปสู่น้ำจิต ก, ก็เป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะยกจิตขึ้นจาก อารมณ์อันเป็นบ่วงของมานซึ่งเป็นที่อยู่ของจิตอันยังไม่ได้รับอบรมขึ้นสู่กรรมฐ า, านดนังกล่าวเพื่อละบ่วงของมา น, นั้น ก็ยอมดินดลเช่นนั้นแต่ก็ได้ตรัสแล้วว่าผู้ทรงปัญญาย่อมถำจิตของตนให้ตรงได้เหมือนอย่างลูกสอนดัดลูกเหมือนอย่างช่างสอนดัดลูกสอนเพราะแม้ว่าจิต ขณะที่ยกขึ้นสู่กรรมฐานยังนิ่นดนอยู่แต่เมื่อมีความเพียรมีความรู้ตัว มีสติที่รักที่ระลึกได้อยู่และคอยกำจัดความยินดีความยินร้ายหากมีธรรมะเหล่านี้ํำจนอยู่ ในที่สุดก็จะทำจิตให้สงบได้เหมือนอย่างปลาที่จับยกขึ้นมาจากน้ำวางไว้บนหมกแม่ที่แรกปลาจะดิ้นแต่เมื่อเนอยแรงเข้าก็จะหยุดดิ้นไปโดยลำดับจนถึงนน่งสงบ จิตก็เป็นเช่นนั้นการที่ยกจิตขึ้นสู่กรรมฐานนั้นก็เพื่อละบ่วงของมนันอันบ่วงของมันนั้นก็ได้แก่อารมณ์ และกิเลสซึ่งตั้งอยู่บนอารมณ์ที่ปรากฏก็เป็นกองกิเลสที่เรียกว่านิวรอันเป็นกิเลสที่กลุ่มกลัดอยู่ในจิต หรือที่เรียกว่าทำจิตให้กลัดกลุ่มจิตที่กลัดกลุ่มต่างๆก็เพราะมีนิวรณ น, นี้เองอันแปลว่าเป็นเครื่องห้ามเครื่องกัน้นคือกั้นจิตไว้ ห้ามจิตไว้ไม่ให้สงบและปิดทางของปัญญาทำให้เป็นภูมิใจบอดคือมีใจที่ไม่รู้ตามเป็นจริง เป็นใจที่หลงถือเอาผิดต่างๆเพราะฉะนั้นอารมณ์และกิเลสเหล่านี้จึงเรียกว่าบ่วงของมานคือมาน เวียงบวงอันได้แก่อารมณ์ซึ่งเป็นที่ตั้งของกิเลสเข้ามาสู่จิตและมานก็เข้าสู่จิตทรงจิตเอาไว้คือซึมซาบอยู่ในจิต คิดเจรณาดูก็จะเห็นได้มาบ่วงของมันนั้นได้แก่อารมณ์คือเรื่องต่างๆที่เข้ามาทางตาทางหูทางจมูกทางลิน้นทางกายและทางมันนคือใจจิตที่ ไม่ได้อบรมยอมรับบ่วงของมานเข้ามาคล้องเอาไว้คือรับเข้ามาเป็นสัญญาตถูกจิตไว้ประกอบจิตไว้ และมานเข้าเข้ามากับบ่วงที่เวียงเข้ามาคล้องใจไว้นั้นจึงปรากฏเป็นตัวกิเลสกองราคะหรือโลภบ้างกองโทสะบ้างกองโมหะคือความหลงบ้าง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัณหาความลิ้นรนทะยานไปต่างๆอันมีลักษณะดังกล่าวมาข้างตน้นว่าจิตที่ไม่ได้รับการอบรมย่อมลิ้นรนกัดแกงกระสับกระส่าย ความดินรนกัดแวงกระสับกระสายนั้นก็ดินรนกวัดแวงกระสับกระสายไปในอารมณ์ตามที่ใครที่ปรารถนาจึงเรียกว่ากามตันหาบั้งภาวะตันหาบั้งอยากได้สิ่งนั้งสิ่ง น, นี้ ทยานไปก็เป็นกามาตัญหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่ทยานไปก็เป็นภวะตัญหาและเมื่อประสบความขัดข้องก็ดินรนทยานไปเพื่อมาให้เป็นนั่นเป็นนี่ในสิ่งที่ ไม่อยากจะได้ไม่อยากจะเป็นตลอดจนถึงในบุคคลในสิ่งที่ขัดขวางต่อการที่จะได้ต่อการที่จะเป็นทั้งปวงก็เป็นความดิ้นรนทยานไปเพื่อทำลายล้างนั่นเองก็เป็นวิภวตัญหา เหล่านี้คือมารซึ่งเข้ามากั บ, บ่วงของมารอันได้แก่ป่าบรรดาอารมณ์ทั้งหลายดังที่กล่าวมานั่นเพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเป็นจิตที่ดิ้นรนแหว่งระสับกระสายรักษายากามำยาก แต่เมื่อผู้ทรงปัญญามาปฏิบัติทรรมจิตให้ตรงก็คือให้สงบและให้ดำเนินไปตรงทางด้วยการปฏิบัติ ในสมถกรรมฐ า, านวิปัสสนากรรมฐ า, านตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโดยตรงก็เพื่อจะละบ่วงของมาพร้อมทั้งมานดังที่กล่าวนั้นโดยที่จิตซึ่ง ปฏิบัติในกรรมฐานดังกล่าวย่อมได้สมาธิได้ปัญญาตลอดจนถึงได้ศีลเป็นพื้นฐานได้สมาธิก็เพื่ออบรมปัญญาเพราะเมื่อ ได้สมาธินั้นก็จะสงบจากอารมณ์ซึ่งเป็นบ่วงของมนันพรามพร้อมทั้งตัวมนันคือบรรดากิเลสตัณหาดังกล่าวซึ่งเรียกว่า น, นิวรบัง เรียกว่าเป็นเครื่องทำจิตให้กลุ่มกลัดปลนจิตบงังและเมื่อจิตสงบได้ดังนี้ก็จะเป็นจิตที่ผุดผ่องเป็นจิตที่สงบเป็นจิตที่ ประกอบด้วยอุเบกขาคือความเป็นกลางไม่กระสับกระส่ายลำเอียงไปด้วยความชอบความชังความลงทั้งหลายจึงเป็นจิตที่อ่อนควรแก่การงานเมื่อ น, น้อมจิตนี้ไปเพื่อจะรู้ ในเรื่องอะไรกจ็จะรู้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นผู้มีปัญญาจึงสามารถทำกิจให้ตรงได้ที่เปรียบเหมือนอย่างข้างสอนดับดัดลูกสอนดังกล่าวแล้วสามารถที่ จะทำจิตให้สงบไม่ดิ้นรนเหมือนปลาที่ยกขึ้นมาวางบนบกใหม่ๆที่ดิ้นรนไปเพื่อจะลงน้ำและจิตที่ดิ้นรนไปนั้นก็ดิ้นรนไปเพื่อจะลงไปสู่น้ำคืนบวงมานนั่นเองเมื่อจิตมีความสงบ มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจึงเป็นจิตที่ชื่อว่าได้รับอบรมย่อมไม่ดิ้นรนกัดแกงกระสับกระสายไม่รักษายากไม่ห้ามยากคือรักษาง่ายห้ามง่าย การปฏิบัติในสติปัฏฐานมาตั้งแต่ขั้นกายานุปัสสนาก็เป็นการปฏิบัติเพื่อละบ่วงของมนันทำให้จิต สงบขึ้นผ่องใสขึ้นและเมื่อมาปฏิบัติต่อไปในเวทานานุปัสนากำหนดรู้เวทานานที่บังเกิดขึ้น ทั้งอย่างหยาบอย่างละเอียดหรือที่เรียกว่าภายในภายนอกตลอดจนถึงกำหนดเห็นเกิดเห็นดับของเวทนาเวทนาก็ไม่ปรุงจิตเพราะว่า บ่วงของมานที่เรียกว่าอารมณ์นั่นก็แยกออกได้ว่าเป็นอารมณ์ที่เป็นส่วนกายคือรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ธพะตลอดเรื่องเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสพจน์ธพะเหล่านั้น ซึ่งมานโยนเข้ามาจากภายนอกเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายลยานะไรมนณคือใจครั้งเมื่อจิตรับอารมณ์ก็ย่อมเกิดเวทนาขึ้นเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขเมื่อเป็นสุข ขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของราคะหรือโลภะทุกขเวทนาก็เป็นที่ตั้งของโทสะทุกขมสุขวเวทนาเวทนาที่เป็นกลางๆ ก, ก็เป็นที่ตั้งของโมหะเพราะฉะนั้นตัวเวทนานี้เองซึ่งนับเนื่องอยู่ในขันหานี่แหละจึงเป็นปัจจัยสำคัญ เป็นหุวต่อของกิเลสดังที่ตรัสไว้ในปฏิจสมุปบาทว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาคือความดิ้นรนทยานก็ประกอบไปด้วยนันท่ความพอใจหรือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นั่นเอง กนั้นเมื่อมาทําเวทนานุปัสนา